ในศาสนาฝ่ายเทวนิยมผู้ใดมีความเชื่อและความรักในพระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นย่อมมีหวังเข้าสู่สวรรค์ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรบ้างพุทธดารัสตอบบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อเพียงความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมีใจชื่นชมเพลิอเพลินภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ